เรามีความรู้สึกสำนึกผิดชอบตัวดีจิริยารู้รู้ของจิตนั้นคือพุทโธที่มีอยู่ในจิตของเราแล้วการทรงไว้ซึ่งความปกติทั้งกายวาจาและจิต มีความสัมรวมรู้สึกตัวอยู่เรามีพระธรรมอยู่ในจิตของเราคือรู้ได้แ ก, พก่พธ<ฮ>ิโ<ฮ>์โอโเมื่อเรามีสติสังวรระวังตั้งใ จ, ใจ จะนำาำหนดรู้จิติตของเราอยู่ตลอดเวลาความตั้งใจเป็นกิริยาของพระสงฆ์เราก็มีพระสงฆ์อยู่ในจิตของเราดังนั้นในอันดับต่อไป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 ไม่คิดอิจฉาตาร้อนใครมีสติกำหนดรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อทุกสิงทุกอย่างเป็นปกติแล้วก็ได้ชื่อว่ามีศีลกายก็มีศีลวาจาก็มีศีลจิตก็มีศีล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 หากว่ามนุษย์ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่คมเหงไม่รังแกซึ่งกันและกันและไม่หิจฉาพยาบาทอาฆาต จ, จองเบนซึ่งกันและกันสังคมเราจะมีความสงบสุขราบรื่นหรือไม่รับรองว่าสังคมของเราจะมีความรู้สึกสงบราบรื่น นอกจากจะราบรื่นแล้วยังแจ่มใสเราจะยิ้มแย้มเข้าหากันอย่างฉันมิด <c oughs> เราจะมองดูเพื่อนฝูงของเราฉันมิตรเหมือนเหมือนกับเราเป็นลูกพ่อแม่เดียวคานกัะตามกันออกมา เมื่อเป็นเช่นนั้นสังคมก็มีความสงบสุขประโยชน์ของการรักษาศีลห้าหนึ่งต้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันเพราะการนาติบาตเราพยายามฆ่าท่านท่านก็จะต้องพยายามฆ่าเรา อาจินาทานการหยิดหวยเอาผลประโยชน์ของผู้อื่นโดยทรัพย์สมบัติของผู้อื่นที่เขาไม่อนุญาตโดยอาการแห่งขโมยเมื่อท่านรู้ท่านโกรธท่านก็ฆ่าเอาหรือไม่ถ้าเราเก่งกว่าเราก็ต้องเป็นฝ่ายฆ่าท่านกาเมุมิชาจาร ผมเหงน้ำใจกันไอแอบทำโชวสูเมียหรือลโลกเต้าของท่านเมื่อท่านโกรธท่านก็พยายามฆ่าเอาือไม่เราก็ต้องฆ่าท่านโมสาวาาหลอกลวงอำพังให้ท่านเสียผลประโยชน์เกียรติยศเสื่อง ท่านกโกรธท่านก็ฆ่าเอาหรือไม่เราก็ต้องฆ่าท่านสุราตัวมัวเมาหรือเมินเมาด้วยฤทธิแห่งของเมาหรือเมาในลากในยศในสันเสริญในความสุขทำให้เกิดความอิดชาตาร้อน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 บาปที่เราเคยทํามาตั้งแต่เมื่อวานนี้หรือตั้งแต่เชา้านี้บัดนี้เรามางดเป็นจากการทาบาปตามกฎของศีลหาข้อนั้นเราได้ชื่อว่าตั้งใจตัดกรรมตัดเวนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปาหากเราสามารถปฏิบัติ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 ให้รู้จักคำว่าให้อภัยซึ่งกันและกันโทษทำผิดก็ให้รู้จักคำว่าขอโทษทีเมื่อผู้โทกขอโทษก็ควรจะรู้จักคำว่าให้อภัยไม่เป็นไรหรอกอันนี้เป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรและการต่อไปเป็น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 ความโลภเป็นกิเลส ท, ที่ชั่วช้าลามกเป็นอกุศลโมลเป็นรากเหง้าของอกุศลคือความบาปทั้งปวงพระพุทธเจ้าสอนให้เราละละโลภละโกรธละหลงแต่ถ้าเราละไม่ได้พยายามหากห้ามจิต อย่าให้ประพฤติล่วงเกินสีนห้าข้อข้อใดข้อหนึ่งคือไม่ล่วงเกินในสิ่งที่เป็นบาปเช่นการฆ่าเบียดเบียนข่มเหงรังแกอิจฉาตาร้อนเป็นตน้นอันนี้เราตั้งใจละเอาได้ละการกระทำการกระทำที่เราทำด้วยกายวาจาและคิดด้วยใจ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 สภาพเปียบร้อยชายประพฤติเป็นสุภาพบบรุษหญิงประพฤติตนเป็นสุภาพสตรีเรียกว่าอยู่ในกฎเกณฑ์ที่เป็นสุภาพชนโดยยึดเสียนห้าเป็นหลัก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 การสร้างอำนาจเราจะต้องพยายามสร้างตัวเองให้มีอำนาจบังคับตัวเองให้ตาเวลามันขี้เกียจบังคับให้มันเกิดความขยันเวลามันอืดอาจลุกจากนั่งหยาบบังคับให้มันคล่องแคล่วว่องไว เวลามันเกิดขี้คลาดบางครับให้มันเกิดความคล้าหาญในทางที่ชอบมีความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนประพฤติอ่อนโยนรอบน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่โซภาบุรุษเป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อมแต่มีความเข้มแข็ง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 ศีรห้าเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยประการต่อไปประโยชน์ของการรักษาศียรห้า เ, าเพราะฉะนั้นเศียรห้าจึงเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมการทำอะไรด้วยกายวาจาและใจ เมื่อไม่เพียรเสียนห้าข้อใดข้อหนึ่งทําให้มันมากมากทาให้มันมากมากแต่เสียงใดที่เิดยเสียนห้าข้อใดข้อหนึ่งให้งดทันทีประการสําคัญที่สุดเสียนห้านี้ขอฝากลูกหลานเอาไปคิดเป็นการบ้าน หลวงตาว่ามันเป็นคุ ณ, ณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนเมื่อใครมีศีลห้าก็ได้ชือว่าเคารพทุกสิทธิเสศในการดำรงชีพจู่โดยเสรี เสรษในการครอบครองทรัพสมบัติโดยเสรีเศรทในการใช้ผลประโยชน์ในคู่ครองของตนโดยเสรีถูกต้องตามกฎหมายปกครองบ้านเมืองและศีลธรรมววเราก็ได้ยึดอาธรรมะอันเป็นหัวใจของความเป็นเสรีภาพเสรีชน โดยมีเหตุมีผลมีขอบเขตมีกติกาเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีกติกาเวลานี้เรามาศึกษาธรรมะตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามายึดเอาเสียนห้าเป็นกติกาแห่งการปฏิบัติ พระธเจ้าสอนให้เราละบาปความทั่วร้ายโพใดต้องการจะละบาปความทั่วร้ายให้ยศเสียนห้าเป็นหลักปฏิบัติให้เคร่งครัดเราก็ได้ชื่อว่าละซึ่งบาปทั้งปวงทีนี้เมื่อเราละบาปทั้งปวงได้แล้วเราตัดกรรมตัดเวนได้เด็ดขาด เราจะไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขสบายไม่ต้องไปหวาดระแวงภัยว่าจะมีภัยใดใดบังเกิดขึ้นนอนอยู่บ้านก็สบายมานอนในป่าอย่างนี้ก็สบายโดยอาศัยบุญบรารมีของพระพุทธเจ้ารัธรรมระสง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 อันนั้นเอาไว้คุยกันทีหลังเราม า, าทมความเข้าใจในประโยชน์ของการรักษาศีลห้าในปัจจุบันนี้ให้มากมากเพราะศีลห้าเป็นอุบายให้มนุษย์สร้างความรักความเมตตาปรานีในกันแ้วกันศีลห้าเป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิด มีการฆ่ากันเศรษฐาเป็นอบายตัดกรรมตัดเวรกรรมคือการกระทำเวรคือการผูกได้แก่การคอยจองล่างจองฐานคอยแก้แค้นซึ่งกันและกันเศรษฐาเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์ดโดยความเป็นธรรม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 หากใครยังงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาประกอบอาหารเลี้ยงตนเองและครอบครัวไม่ได้ถ้านึกสนุกอยากจะมีศีลหา้ากับเขาบ้ง <c oughs> ก็ให้ตั้งปณิธานให้แนวแน่ว่าเพื่อนเชื่อว่ามนุษย์ทั้นจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่คมเหงไม่รังแก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 แผ่ถ้าเรารักษากายวาจาไม่ให้ละเมิดโทษตามศีลห้าได้่อว่าเป็นผู้มีศีลได้่อว่าเป็นผู้ธนุถนอมรักษาเปลือกไข่คือกายวาจาของเราให้ปลอดภัยไม่มีรอยร้าวไม่มีรอยบุบเราจะนำไปฝึกสมาธิภาวนาจิต ของเราก็เป็นสมาธิได้ง่ายอย่าว่าแต่พวกเราซึ่งเป็นเด็กวัยหนุ่มวัยสาวหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นขรุหัสแม้แต่พระภิกษุสงฆ์สามเณรบวชในศาสนานี้ต้องรักษาศีลห้าศีลห้าและศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดี หาไปละเมิดสิขาบทข้อใดข้อหนึ่งในจำนวนสองร้อยยี่สิบเ็ดข้อกายวาจาของท่านผู้นั้นอันเปรียบเหมือนเปลือกหุ้มไข่จะมีรอยร้าวทันทีในเมื่อมีรอยร้าวคุณภาพของความเป็นนักบวชเป็นพระกดลดน้อยลงไปหนึ่งเปอร์เซนต ละเมิดสิกขาบทวินัยสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อหลายหลายข้อคุณสมบัติแห่งความเป็นนักบวชเป็นพระขอลดลงตามลำดับแม้ว่าเราจาประปจิญญาตนเป็นสมณะผู้ปฏิบัติทีปฏิบัติชอบแต่ละเมิดสิกขาบทวินัยแม้แต่อาบัต ผู้กดอาบัตตาจิตตีเป็นอย่างต่ำได้ชื่อว่าเป็นผู้ลวงโลกยกตัวอย่างเช่นพระทุดงไปเดินทุดงกรรมาฐาน <c oughs> ท่านเดินไปองหนึ่งองคเดียวไม่มีวิยญาัจการคือไม่มีลูกศิธิ์ที่เป็นเรือขัน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 ถ้าเป็นอาหารจะเป็นอาบัตินิสกีปาจิตตีพกคำกลือถ้าเป็นสบงจีวรจะเป็นอาบัตินิสกีปาจิตีพกระยะที่นุ่งห่มแล้วเปลื้องออกจากกายแล้วนํามานุ่งห่มอีกเป็นว่าเงินบาทเตียวเป็นอาบัตถึงสี่สามตัว เปลือกไข่ของพระคุณเจ้าเราละเมิดตัวหนึ่งเพียงแค่รา้ราแล้วนินดๆพอละเมิดตัวที่สองเราจนรอบละเมิดตัวที่สามบุกใจหรือจิตซึ่งเปรียบเหมือนไข่แดงเพระละเมิดสิขบดวินยัยจจงกลายเป็นไข่เน่า ไปเดินเท้าดงกรรมฐานก็กรรมฐานไข่เน่าเป็นนักปฏิบัติก็เป็นนักปฏิบัติไข่เน่าใไรตอมกักผลนิพพานหรือคุณงามความดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าสัตสมาสีลังวิโซทยยสาธุชนพ่งชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์สา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 ว่าภาวนาอะไรจึงจะดีจึงจะสำเร็จได้ไง่ายถ้าข้องใจตัดสินใจไม่ลงในเมื่อเรานั่งสมาธิให้มีสติกำหนดรู้จิตของตนเฉย อ, อยู่อย่าไปตั้งใจคิดอะไรขึ้นมาแล้วสังเกตูว่าในขณะที่เราทำจิตให้เฉยว่างอยู่นั้น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 แล้วจิตมีความเป็นหนึ่งนิ่งว่างสว่างสบายจูเชเฉยๆถ้าสามารถทำได้ไบ่อยๆบ่อยๆเข้าการทำสมาธิไปถึงจุดว่างของจิตนั้นเป็นฐานสร้างพลังงานเมื่อจิตสร้างพลังงานพร่อมแล้วเขามีกำลังเขาต้องการทำงาน ดังนั้นเมื่อภายหลังมาเราอาจจะกาหนดจิตปับลงไปว่าเราจะปฏิบัติจิตจะมีความรู้สึกสงบโฟกไปนิดหนักแล้วความคิดมันจะพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นมาอย่างกระน้ำพุ่เสื่งนักปฏิบัติทั้งหลายเข้าใจว่าจิตพุ้งสาน้นดังนั้นเมื่อเราบริกรรมภาวนายกหนอพองหนอเป็นต้น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 เอาละสำหรับการบรรยายในภาคตนนี้ใส่ขูดถึงเรื่องศีลที่ได้สมทานมาแล้วความรู้สึกสำนึกผิดชอบทั่วดีเป็นกิริยาแห่งความมีพุทธะอยู่ในจิตการทรงไว้ซึ่งความรู้สึกเช่นนั้นได้ชือว่าทรงไว้ซึ่งพระธรรมผ่านที่มีสติสังวรระวังตั้งใจจะกำหนดู้อารมณ์จิต หรือตั้งใจจะละบาปความทุ่วประสึกความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมอเป็นกิริยาแห่งพระสงค์คในใดมีจิตใจเช่นนั้นแต่จะว่ามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจขอยุติไหวเพียงแค่นี้